ก, ก่อนที่จะแสดงธรรมหลวงพ่อขอร้องจากคณะัทธายาจมทุกท่านหนึ่งห้ามถ่ายรูปหลวงพ่อขณะที่แสดงธรรมรูปถ่ายรูปที่มีแฝ เพราะว่าถ่ายเข้าไปแล้วแฟดเข้าตาหลวงพ่อเป็นพระป่ามาแต่กาเนิดอย่างที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังหลวงพ่อบวชมาแต่เป็นสมณะอายุสิบเอ็ดสิบสองปีเวลานั่งภาวนาก็หลับตาเวลาแสดงธรรมก็หลับตาอีกเหมือนกันเวลาแสงเข้าตาเนี่ ย, ยถึงหลับตาขนาดไหนแสงไม่ยังเข้าตาอยู่พอแสงเข้าตาแล้วมันเป๋ไปเลยทีนี้ เสียสมาธิในการพูดเพราะฉะนั้นหลวงพ่อไม่ให้ถ่ายรูปที่มีแฟดในขณะที่แสดงธรรมข้อที่สองก็คือสมัยนี้มีโทรศัพท์มันเสียงแปลกไม่รู้เสียงอะไรต่อมีเสียงอะไรอันนี้ถ้าว่าท่านผู้ใดมีเสียงแปลกให้ปิดโทรศัพท์ไปก่อนหรือถ้าว่ามีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นก็ให้ออกไปคุยกันข้างนอกไม่อย่ามาคุยกันอยู่ใกล้หลวงพ่อน ถ้าคุยกันใกล้หลวงพ่อนะ่พ่อก็พูดไม่ออกเหมือนกันเพราะมีเสียงรบกวนเพร่ะนั้นขอให้คณะทัดทายญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าที่มาฟังธรรมเทศนาเดี๋ยวจะไปฟังธรรมเทศนาที่ไหนๆก็ตามถ้าหากว่าอยากจะฟังในแนวความคิดของท่านแล้วเราก็ควรจะเคารพในธรรมให้รู้จักการสถานที่บุคคลในเวลานี้เราควรตาตนอย่างไร บุคคลเช่นนี้เมื่อเข้าไปหาแล้วพวกเราควรจะทำตนอย่างไรในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้หมดเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายถ้าถูกทำกาลเทศการสถานที่บุคคลแล้วจะราบพื่นไปด้วยดีเพราะนั้นขอฝากไว้กับคณะจัตตาญาติโยมทุกหมเหล่าและตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นองค์แสดงธรรม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 วันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งเป็นวันครบพรอบวันมรณะภาพของคุณแม่ชีแก้วเสียงล้ำแต่ตามให้จริงคุณแม่มรณะภาพวันที่สิบแปดมิถุนายนพุทธศักราช2534้าสแต่พวกเราได้ไประชุมหารือกันใหม่เมื่อคุณแม่ล่วงลับไปพวกเราก็ได้จัดงาน วันครอบรอบวันมรณะภาพของท่านคือวันวันที่สิแปมิถุนาทุกปีพอเราทำมาได้สองสามสี่ปีก็มีปัญหาเกี่ยวกับฟ้าฝนเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่พี่น้องในท้องถิ่นของเราลงปักดำไม่สะดวกในการทำกิจกรรมหรือว่ามาทำบุญในวันนั้น วันเดือนเจดนั้นก็ได้ประชุมคณะกรรมการลูกหลานได้ประชุมหาหรือกันว่าเราจะจัดงานคุณแม่วันไหนเหมาะเพราะว่าที่เราทําผ่านมานี้นบางปีก็ฝนตกชกมากแล้วก็พร้อมกันพี่น้องชาวนาก็ได้ลงทําไร่ทํานากันเป็นส่วนมากเป็นเรื่องลําบากในการจัดงานเพราะพวกเราจะต้องใช้คนเป็นส่วนมากมาจาก งานและกลางต้งกลางเต้นและจัดสิ่งของเพราะนั้นจึงได้ไประชุมกันจึงได้ตกลงกันว่าน่าจะเป็นเดือนมีนาเดือนมีนาหลวงพ่อเองก็เป็นผู้กำหนดวันว่าอาทิตย์สุดท้ายของมีนาของเดือนมีนาทุกปีตั้งแต่บัดนั้นมาเราพวกเราท่านทั้งหลายก็ได้ทาบุญวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนามาตลอด แต่หลวงพ่อก็ยังให้เครดิตด้วยว่ายกย่องพวกเราอีกว่าพวกเราทําบุญก่อนวันมรณภาพของคุณแม่คุณแม่วรณภาพวันที่สิบแปดมิถุนาพวกเราทําบุญเดือนมีนาถ้าเป็นลูกหนี้เอเจ้าหนี้ก็คงจะสรรเสริญว่าลูกหนี้นี่ชั้นดีใช้หนี้ก่อนเอก่อนกําหนด ในพวกเราเป็นลูกหลานของคุณแม่พวกเราก็คงจะเป็นลูกหลานที่ดีเพราะทำบุญก่อนวันในวันที่มรณะภาพของคุณแม่ตั้งหลายเดือนมีนาเมษาพฤษภามิถุนาเพราะนั้นวันนี้ก็ขอให้คณะศรัทธาญาติโยมทุกหมเหล่าทำไมพวกเราจึงทำบุญก่อนวันมรณะภาพของคุณแม่ตั้งเป็นเดือนศกเกือบสองสามเดือน นี่แหละความเป็นมาแต่ถึงยังไงก็ตามการสร้างคุณงามความดีเราไม่ได้บอกการสถานที่ เ, ลเวลาในหลักของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านบอกว่าทําดีวันใดเดือนใดปีใดวันนั้นแหลเดือนนั้นแหลปีนั้นแหละเป็นวันเดือนที่ดีตรงกันข้ามถ้าหากว่าใครก็ตามทาความชั่ว วันไหนเดือนไหนปีไหนก็วันนั่นแหละเดือนนั่นแหละปีนั่นแหละเป็นปีชั่ววันชั่วเดือนชั่วคือเดือนไม่ดีเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราให้เชื่อมั่นในทำคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วถ้าทําชั่วแล้วจะดีได้อย่างไรถ้าทําดีแล้วจะชั่วได้อย่างไรในหลักของพระพุท ธ, ธศาสนา ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนําสั่งสอนพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายไปอยู่นสถานที่ใดก็ตามความชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะความชั่วนั้นเมื่อทําไปแล้วจะต้องเดือดร้อนเผาผลาญเมื่อภายหลังจะยกเป็นพระบาลีขึ้นมาก็ได้ว่าอากาตังลุกตังเสยโยปัจฉาตะปฏิลุ ก, กตั ง, ยยตตกกตงความชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะความชั่วเมื่อทําไปแล้วตัว ตัวเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังอันนี้ขอให้พวกเราพุทธศาสนิกชนให้ฟังเอาไว้อันนี้แหะคือทำคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสมาถึงสองพันกว่าปีแต่พวกเรานํามาวิเคราะห์นํามาคิดนํามาพิจารณากันกลองไตรตองด้วยเหตุแ ล, ผ ล, และผลแล้วทำคําสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านออได้มาพบปะ ได้มาพบพระพุทธศาสนาให้ศึกษาศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าวิชาในโลกนี้มีมากมีมากมายอย่างในมหาวิทยาลัยไม่รู้กี่ขแขนงตอ ก, กี่ขแขนงเตั้งแต่เราเรียนประถมมัธยมจนถึงปริญญาตรีโตเองในเมืองไทยและเมืองนอกล้วนแล้วแต่เป็นวิชาทั้งนั้นพระพุทธศาสนาก็เป็นวิชาอีกขแขนงหนึ่ง ที่พวกเราจะต้องเรียนรู้จะต้องศึกษาเพราะฉะนั้นการศึกษาพระพุทธศาสนาถ้าจะว่าว่าไปแล้วจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ายากทําไมจะว่าง่ายทําไมจงว่ายากยากก็คือไม่รู้จักต้นตอไม่รู้จักเงื่อนไม่รู้จักจะจับที่ตรงไหนแต่ถ้าหากว่าง่ายถ้าเราได้ศึกษาและก็มีบุญบารมีเก่าแก่มาก่อนเราจะจะได้ ศึกษาแล้วเราจะได้ยึดไว้การศึกษาพุทธศาสนานั้นศึกษาเรื่องของใจนี่เราบอกคำว่าเรื่องของใจมโนปุพังคมาธรรมามโนเสถามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจเพราะนั้นการศึกษาพระพุทธศาสนานเป็นเรื่องศึกษาเรื่องของใจขณะใจใจของเราเนี่คิดเรื่องอะไรเพราะหลักพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าเราได้ศึกษาในพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าไปอยู่ในป่าดงพงไผ่ถึงหกปีท่านไปทําอะไรท่านไปศึกษาเรื่องอะไรท่านไปทําไปกิจกรรมเรื่องอะไรในพุทธประวัติท่านก็บอกว่าไปอดพักญาหารถึง4ี่สบเวันแล้วก็ไปทํามากมายและหลายอย่างในอยู่อยู่ในป่าดงใครว่าไปทดลองเหมือนกับทดลองวิทยาศาสตร์ หรือว่าทดลองเรื่องต่างๆเราต้องการเรื่องอะไรถ้าเป็นเกษตรศาสตร์เราก็ต้องศึกษาเรื่องเกษตรอันนี้พระพุทธองค์ไปศึกษาเรื่องจิตวิญญาณไปอยู่ในป่าทั้งหกปีทดลองเรื่องจิตวิญญาณตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญ น, นรกสวรรค์มีจริงหรือไม่คนเราเกิดมาทำไมไม่เหมือนกันนี่พระพุทธเจ้าไปศึกษาจุดนี้วันนั้นวันที่สุดสําเร็จเรื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณพระ อ, องค์นั่งขัดสมาธิในโคลนต้นโพธที่พุทธกยาวันเดือนหกแผ่นเมื่อนั่งภาวนาแล้วใจของพระ อ, องค์เข้าสู่ความสงบเมื่อความสงบแล้วพระ อ, องค์ละลึกลำลึกชาติผลหลังได้นี่แหละอันนี้แหละคือจุดหนึ่งเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีก พระเหตุใดพระพระพุทธเจ้าพาดําเนินพาดําเนินท่านภาวนารู้ใจของพระ อ, องค์พอนั่งภาวนาจิตสงบพรวงเป็นหนึ่งลงเป็นหนึ่งแล้วกายกับใจของพระ อ, องค์นั้นเป็นคนละอันกันเหมือนกับน้ํากับน้ํามันมันอยู่ด้วยกันแต่ไม่ใช่อันเดียวกันถ้าเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งให้เห็นชัดก็คือร่างกายเหมือนกับรถส่วนจิตใจเหมือนนมามธรรมเหมือนกับคนขับพรถ คนขับรถอยู่ในรถแต่ไม่ใช่รถแต่เป็นคนแต่หลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญเรื่องโซเฟอร์ของรถมากกว่ารถรถไปจอดไว้ที่ใดถึงจะฝนตกแดดออกค้อนคนไปทุบไปตีหรือว่าไปไประสบอุบัติเหตุอะไรก็ตามรถคันนั้นมั น, ม, นมันไม่เสียใจมันก็จอดอยู่อย่างนั้น แต่เจ้าของรถนี่เสียใจนี่ก็เหมือนกันร่างกายของพวกเราท่านทั้งหลายร่างกายมันไม่ได้เสียใจนะแต่ตัวผู้รู้อยู่ในใจอยู่ในร่างกายเนะี่ยเสียใจเสียเสียอกเสียใจกับร่างกายของเราเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะนั้นพระพุทธเจ้าไปค้นคว้า ศ, ศึกษายุนิโคนต้นโพในวันนั้นพระองค์จึงแยกได้ว่าร่างกายนี้เป็นอันหนึ่งแต่จิตใจนั้นเป็นอันหนึ่งคนเราเกิดมาแล้ว ร่างกายแต่ตายสลายแน่นอนแต่จิตใจนั้นตัวนามธรรมาตัวนั้นไม่ตายออกจากร่างกายไปปฏิสนธิไปเกิดนะไปเกิดนภำุมิพบภูมิต่างๆเพราะฉะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างองค์หลวงตามหาบัวท่านก็ยืนยันว่าใจไม่มีป่าช้าแต่ร่างกายของเรานี่มีป่าช้ามีที่เผาที่ฝังแต่ใจเไม่มีป่าช้าออกจากร่างนี้แล้ว ไปเกิดไปไปไ ป, ปฏิสนธิไปหาเกิดที่อื่นได้เพราะฉะนั้นในจุดนี้ก็อยากจะให้พวกเราคณะจตหายาจโยมศึกษาศึกษาเรื่องของใจวิธีศึกษาเรื่องของใจนธธรรมอย่างไรพ่อแม่ครูบายจันสายหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าหลวงปู่มั่นเป็นต้นตระกูลของพระกรรมฐานหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นอย่างที่โยมได้พูดว่าหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นเป็นต้นตระกูลของพระกรรมฐาน ท่านได้มาทุรลงในถี่ น, นี้จากนั้นท่านก็ได้แนะนำสั่งสอนครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในยุคปัจจุบันมีหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟันหลวงปูตง่ต่างๆที่ยุคปัจจุบันในสวีชื่อเสียงโด่งดังพ้นสุดองค์สุดท้ายที่จากไปไม่นานก็คือหลวงตามหาบัวก็คือเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มันหลวงปู่ล่า หลวงปู่ต่างๆในถิ่นของเรามีหลายองค์ล้วนแล้วแต่ยึดตามแนวแถวของหลวงปู่มั่นทั้งหมดหลวงปู่มั่นท่านสอนอย่างไรเนะี่ยที่นี่เพราะว่าเราเอาทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นกระจกเงาแล้วเราก็เอาทำคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นท่านสอนสิทธิอนุสิ์ของท่านท่านสอนอย่างไรนี่แหละจุดนี้พวกเราควรจะศึกษา เพราะว่ามีแนวศึกษาเยอะมีเอ็มพีสมีหนังสือธรรมะลิขิตของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละท่านมีมากมายครูบาอาจารย์แต่ละองค์ท่านก็ยึดแนวแถวของหลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่มั่นท่านสอนถ้าจะว่าปลีกออกจากพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ว่าปลีกออกหน้อยนึงก็คือพระพุทธเจ้าท่านนั่งขัดสมาธิ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 ลึกเดี่ยวแถวของพระพุทธเจ้านำมาประดิษฐ์หรือนำมาสั่งสอนลูกศิษย์ของท่านท่านบอกว่าถ้ากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างเดียวมันรู้สึกว่าจะสั้นไปพวกเราเกิดมาสุดท้ายภายหลังบุญบา ร, รมีคงจะไม่เหมือนพระพุทธเจ้าพวกเราควรจะยึดพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทหายใจออกบริกรรมว่าโธ ให้บริกรรมมีคำบริกรรมด้วยให้มียึดให้ยึดคำบริกรรมด้วยนี่แหละอันนี้คือหลวงปูมงงป่มั่นท่านสอนพวกเราท่านทั้งหลายที่นี้หลวงปู่มั่นท่านสอนพวกเราท่านทั้งหลายวิธีการปฏิบัติวิธีการภาวนานั้นทำอย่างไรอันนี้พุทธศาสนิกชนพวกเราท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้เนะนี่ย ค, ควรจะศึกษาแต่ว่าครูบาอาจารย์ก็โดยมากเออให้นั่งภาวนานะ อย่างนี้ก็ท่านก็หยุดเพียงแค่นั้นแต่พวกเราบางท่านบางคนก็เอ๊ะท่านในห้างนั่งพอนั่งอย่างไรกําหนดอย่างไรทําอย่างไรแต่นี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อเนี่ยบวชเป็นสั ม, มเนนอายุสิบเอ็ดสิบสองปีอยู่กับหลวงปู่ล่าท่านสอนสัมมเนนท่านสอนอย่างไรท่านก็สอนหลวงพ่อว่าเออเนนเออเวลาไหว้พระ เราไม่ได้ทําวัดทุกวันแต่เราต้อ ง, องทําวัดเองนะไหว้พระเองนะต้องทําวัดถวยายพระทุกวันนะอย่าได้ขาดการไหว้พระสวดมนต์อย่าได้ขาดเาราพระ า, าพระเาลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และกราบครั้งหนึ่งพุทโธให้ระลึกถึงพุทธโธใช่ไม่ใช่กราบเฉยๆนะไม่ใช่กราบสามครั้งนะกาบพุทธโธทำโมสังโคหนะลวงปุราท่านสอนกาบพุทธโธ ทำโสังโคกาสามครั้งยกมือขึ้นมาใส่สศีรษะของตัวเองยกขึ้นมาในระหว่างศาีรษะนิพพานักข้าพเจ้ากราบพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อหวังพระนิพพานไม่ได้กราบเพื่อเล่นเล่นไม่ได้กราบเพื่อลอยๆกราบหวังพระนิพพานนี่แหละจากนั้นเราก็ไหว้พระอรหังสวากาโตสุปฏิปัโนนโมตัสะและก็พุทธังธรรมัง สังขังสุดแท้แต่เราจะสวดอันไหนได้เราจะทำวัดได้ยาวแล้วก็พูดแต่ยาวจากนั้นเราก็แผ่เมตตาแผ่เมตตาอาหารสุกิโตโหมินิโตโคโหมิอเวโรโมิแต่เมื่อเราแผ่เมตตาจบแล้วเราให้แผ่เมตตาเป็นภาษาใจของเราอีกที่เนึง่งภาษาใจของเราเรานึกในใจว่าข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุข ข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วไตรโล ก, กธาตุเขขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาอันนี้ก็คือแผลเมตตาเป็นภาษาใจของตนเองคนที่มีเมตตาอยู่ในใจไปณสถานที่ใดอยู่ณสถานที่ใดหลับและตื่นอยู่เป็นสุขเพราะเราไม่คิดจะเบียดเบียนผู้ใดใครผู้หนึ่งวิญญาณทุกวิญญาณก็ขอให้มีความสุข อย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนานี่แหละวิธีก่อนที่จะนั่งสมาธิครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อท่านสอนอย่างนี้เออไหว้พระเออเวลากราบพุทโธธรรมโมสังโฆนิพกานังจากนั้นก็กล่าวเออบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์จากนั้นก็แผ่เมตตาในเมื่อแผ่เมตตาเสร็จแล้วเราก็กราบอีกสามครั้งพุทโธธรรมโมสังโฆเออปนมือ บนศีรษะอวนิพพานัข้าไปเจ้าประกาศพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อหวังพระนิพพานจากนั่นก็นั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายเมื่อขาขวาทับขาซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ประนมมือขึ้นแล้ววางอกไหว้ครูซะก่อนนี่คือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อีกรอบหนึ่งพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆสามจบ เมื่อเราไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สามจบแล้วเอามือลงเอามือขวาทับมือซ้ายจากนั้นกําหนดลมหายใจเข้าหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าวริกรรมว่าพุทหายใจออกวริกรรมว่าโธหายใจเข้าพุดหายใจออกโธบางท่านบางคนก็บอกว่าไม่รู้ว่ลมไม่เคยกําหนดลมหายใจไม่รู้มันเข้ายังไงไม่รู้มันออกยังไงอันนี้ หลวงปู่ท่านก็บอกกูบายอาจารย์ท่านก็บอกว่าให้กระแทกลมแรงๆให้สืบลมหายใจเข้าแรงๆหายใจเข้าเออมันกระทบที่ไหนลมกระทบที่ไหนหายใจออกลมกระทบที่ไหนให้เอาสติจับสัมปชัญญะให้มีสติอยู่ที่ปลายจมูกที่ลมกระทบที่หายใจแรงๆนั้นจากนั้นก็ผ่อนผ่อนผ่อนลงให้หายใจเป็นปกติ ในเมื่อหายใจปกติแล้วเราก็จะรู้ได้ว่าขณะที่เราหายใจแรงนั้นลมกระทบที่ไหนเอาสติสัมปชัญญะอยู่จุดนั้นไม่ต้องตามลมเข้าไปในท้องในปอดไม่ต้องตามลมออกไปข้างนอกให้มีสติอยู่ที่ปลายจมูกเท่านั้นเวลาลมผ่านเข้าไปก็รู้ว่าลมเข้าบริกรรมพุทธหายใจออกบริกรรมว่าโธมีแต่คนตายเท่านั้นะ ไม่มีลมหายใจเข้าออกถ้าคนยังมีชีวิตยอยู่ถึงจะนอนไปก็ยังมีลมหายใจเข้าแต่ว่าคนหลับแต่ขณะที่เรานั่งเราก็ต้องรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกวิกรรมพุทโธให้มีสติอยู่ที่ปลายจมูกไม่ต้องคิดถึงอดีตเมื่อวานวันก่อนเรื่องเก่าๆไม่ต้องคิดอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงเราไม่ต้องคิดในขณะนี้ เราจะตัดขาดทั้งอดีตทั้งอนาคตให้ใจอยู่ของเราอยู่ในปัจจุบันขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ให้กำหนดอยู่ที่ปลายจมูกเท่านั้นอันนี้แหละคือกรรมาฐานที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนจากนั้นเมื่อใจของเราไม่ออกไปข้างนอกไม่ไปไม่ไปในอดีตไม่คิดไปในอนาคตใจของเราก็จะรวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อจิตสงบรวมขณะที่จิต รวมในหลักสมาธิมีอยู่สามขั้นขั้นสมาธิมีอยู่สามระดับระดับหนึ่งเขาว่าคันนิกะสมาธิจิตใจรวมสงบเพียงฉีดเสียวเออว้าวนะบิ๋วครั้งเดียวอันนี้เรียกว่าคั้นนิกะจิตใจรวมสงบเพียงชั่วครู่หนึ่งอันนี้เรียกว่าคั้นนิกะสมาธิแต่เราพยายามทําให้ต่อเนื่องไปอีก เรากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ไม่ไปที่อื่นจากนั้นใจของเราก็จะรวมลงไปแต่ก่อนใจของเราเนี่ยเหมือนกับผู้ร้ายมันวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาเอไม่รู้จะจับที่ยังไงเหมือนกับลิงจิตใจเมื่อของเราเหมือนกับลิงแต่แต่บัดนี้ เ, เจ้าของของลิงจับจับลิงได้มัดโซ่ไว้ทีนี้ลิงจะไปที่ไหนเอก็รู้ มันจะให้ขึ้นต้นไม้จะให้ทำอะไรเอก็จับเอจับลิงตัวนั้นอยู่นี้ก็เหมือนกันสติให้จับตัวผู้รู้คือใจให้อยู่เอออยู่ใจอยู่อย่างไ ร, บ, งรบังคับใจให้อยู่ได้อันนี้แล้ว อ, อุปจารสมาธิแต่เมื่อเราทำจิตใจให้สงบรวมลงเป็นหนึ่งอีกให้นิ่งลงไปอันนี้แล้วอัอปปนาสมาธิอัปปนาสมาธินี่สติเป็นอันใดสติเป็นอันนั้น สติเป็นอันไดจิตเป็นอ น, นั้นจิตรวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อจิตรวมลงเป็นหนึ่งแล้วเราจะไม่รู้สึกทางกายเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าเสียงคู่คนเสียงอะไรไม่ได้ยินทางนั้นแต่ว่าสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันนี้ว่าจิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิเมื่อจิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิถอนขึ้นมาเราจะรู้ได้ว่านี่แหละใจรวมจิตใจใจิตสงบแน่ เราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่ากายกับใจไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันกายคือร่างกายใจคือคือใจใจมาอาศัยร่างกายเป็นคนละอันกันแต่ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวกายเป็นลูกน้องของใจนี่แหละในเมื่อเราทำจิตใจให้สงบแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญไม่ต้องถามใครนี่แหละหลักพิสูจน์ของพระพุทธศาสนา เพราะนั้นขอให้พวกเราคณะศรัทธาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่านี่แหละวิธีการพิสูจน์และวิธีการภาวนาที่อยากจะรู้ว่าตาและเกิดและตาและสูญนั้นไม่ต้องหาที่ไหนศึกษาตามธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะนำมาประพฤติปฏิบัติเดินนั่งนอนให้มีสติสัมปชัญญะจากนั้นจิตเข้าสู่ความสงบแล้วจะไม่ถามใคร และก็มีความสุขอีกต่างหากในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่านาฏิสันติประรางสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีอันนี้พวกเราไม่ต้องหาที่ไหนหาที่ใจของพวกเราจากนั้นอันนี้พูดทั้งหมดมานี้อันนี้คือสมัทฐหรือว่าสมาธิแต่ต่อไปเมื่อเรามีความพยายามมีความตั้งใจอยากจะศึกษา เรียว่าเรียนรู้เพื่อจะสสแสวงหาทางพ้นทุกตามแนวแถวของแนวตามแนวแถวของพุท ธ, ธะหรือว่าแนวตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วพวกเราจะพยายามเดินวิปัสสนาเดินวิปัสสนาสัมมาถะอันนั้นคือสมถะหรือสมาธิแต่บัดนี้เราเดินวิปัสสนาวิปัสสนานั้นคืออะไร เ, ะเราก็ต้องพิจารณาร่างกายอย่างที่คุณแม่แก้วที่ท่านโยม ที่ท่านพูด เ, ออเรื่องประวัติของคุณแม่ให้พิจารณาร่างกายพราร่างกายสังขารเป็นร่างกายของเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนถึงจะทนุถนอมเลี้ยงดูขนาดไหนอาหารดีขนาดไหนเสื้อผ้าดีขนาดไหนยาแก้โรคภัยไข้เจ็บดีขนาดไหนจะสร้างบ้านให้หรูหราโออาขนาดไหนให้ร่างกายนี้อยู่ร่างกายนี้ก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอเลี้ยงไม่เชื่องเลี้ยงไปเท่าไหร่อยู่นานไปเท่าไหร่ เดี๋ยวกับผมขาวเดี๋ยวก็ฟันหลุดเดี๋ยวกับตาฟ้าฟางเดี๋ยวกัหูตึงเดี๋ยวกับหบนังเหี่ยวเดี๋ยวก็หลังค่อมไล่ไปเรื่อยๆวันที่สุดก็เจ็บไข้ได้ป่วยก็ถึงจุดจบเนี่ร่างกายของเราเนี่ยถึงจะเลี้ยงขนาดไหนก็เลี้ยงไม่โตมีแต่เท่าแก่ชราไปเรื่อยๆจนถึงจุดจบเพราะฉะนั้นรักทำคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านยึงให้พิจารณาว่าร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเรา สิ่งไหนเป็นเที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งไหนเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราเลยนีเมื่อเมื่อจิตใจของเราผ่านความสงบแล้วจิตใจของเรานิ่งแล้วผ่านความสงบแล้วเราจะเห็นได้ชัดว่าร่างกายกับใจเป็นคนละอันกันจากนั้นทมก็เข้ามาหาใจได้เลยใจอย่าลืมอย่าไปหลงกายนะอย่าไปติดในกายนะอีกสักวันหนึ่งนะร่างกายต้องแยกแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่น กายกับใจเป็นเพียงอาศัยกันอีกสักวันหนึ่งร่างกายจะต้องถึงจุดจบใจอย่าไปหลงนะในเมื่อร่างเมื่อใจเราสอนใจของเราดูใจผู้รู้เนี่ยคือดูกายของเราในเมื่อเห็นร่างกายว่าร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเราเ ม, เมื่อไม่หลงร่างกายจะไม่หลงอย่างอื่นถ้าหากว่าหลงร่างกายหลงร่างกายแล้วจะหลงอย่างอื่นถ้าไม่หลงร่างกาย ร่างกายขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราอีกสักวันหนึ่งจะต้องแตกตายสลายลงสู่แผ่นดินจากนั้นเราก็เห็นได้ว่า เ, เรื่องอย่างอื่นเงินคําทรัพย์สมบัติยศฐานบรราศักดิ์มิตรสหายสามีภรรยาลูกหลานจะเป็นของเราได้อย่างไรขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเรายังไม่ใช่ของเราสิ่งเริ่งเราอื่นจะเป็นของเราได้อย่างไรเนี่ย ในนี้เมื่อเราผ่านความสงบจิตใจของเราผ่านงความสงบแล้วเราจะเห็นได้ชัดด้วยตนเองในเมื่อเห็นแล้วก็เอใจก็สอนใจนึกดูว่าใจของเราเนี่ยเอนึกคิดเรื่องอะไรก็เห็นอันิีจังคือของไม่เที่ยงเอคือของไม่เที่ยงคือใจของเราเนี่ยบางทีก็ดีใจบางทีก็เสียใ จ, บ า, าใจาบางทีก็ใจเศร้าหมองบางทีก็ใจผ่องใสบางทีก็มีสุขบางทีก็มีทุกข์ มันอยู่ในใจของเรามันเอบหลบหลบพลอพลถึงช่วงหนึ่งเอาเหลี่ยมหนึ่งขึ้นมาเอบพลิกเหลี่ยมหนึ่งเลี่ยมหนึ่งขึ้นมาสรุปแล้วคือใจของเราเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงใจของเราก็ไม่เที่ยงเหมือนกันแต่เมื่อไม่เที่ยงเราก็วางกระทั่งใจแต่เนี่ยไม่ยึดมั่นถือมั่นกระทั่งใจก็ปล่อยวางที่ใจเมื่อว่าปล่อยวางที่ใจใจก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลส ไม่ยึดมั่นถือมั่นคือนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายคลายหลุดพน้นนี่แหละทาคาสอนของพระพุทธเจา้าที่ท่านสอนมามากมายท่านให้พิจารณาเลยว่าให้มาพิจารณาถึงตัวผู้รู้คือใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจพระพุทธเจา้าพระหันตรสาวกตลอดถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่คุณแม่ชีแก้วที่พวกที่ท่านได้สาเร็จมรรคสาเร็จผล ท่านไม่ได้สำเร็จที่ไหนท้านเสร็จที่ใจของท่านใจของท่านรู้จริงเห็นจริงจากนั้นใจข้ อ, อ, อปล่อยวางไม่ยึดมัน่นถือมัน่นปล่อยวางจิตใจเบื่อหน่ายคลายจิตใจก็ต้องหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสัทธาญาตโยมทุกๆ ท, ท่านที่จิตภาวนาอย่างนี้โดยมากจะไม่มีครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนแต่ลูกพ่อเองเออก็บอกบางครั้งเพราะว่า เรื่องทานเรื่องศิลเรื่องอย่างอื่นพวกเราก็พอได้ยินจากพ่อแม่ครูบายจานันที่ท่านแนะนําสั่งสอนเรื่องจิตภาวนานี่โดยมากครูบายจันจะสอนปลักปลายไม่ได้สอนให้เน้นหนักหนึ่งสองสามอย่างที่หลวงพ่อได้แสดงหรือว่บอกกล่าวให้แก่คณะสัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายได้ยินเพราะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคล ม, มหามงคลอย่างยิ่ง ที่พวกเราได้มาร่วมกันแสดงออกซึ่งน้ำใจเป็นเครื่องบูชาหรือว่ารำลึกถึงคุณแม่ชีแก้วเสียงล้ำเพราะคุณแม่ชีแก้วเป็นบุคคลที่เอควรบูชาอย่างที่อาตมาภาพได้ยกเป็นบาลีขึ้นเบื้องต้นว่าปูชาจะปูชนียานังเอตัมังคารมุตตัมังแปลว่า บูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดแต่ถ้าว่าพวกเราบุคคลใดเป็นคนดีมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมที่ดีอย่างพระพุทธเจ้าพระหันตนสาวกหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นผู้มีอุปการคุณกับเราเป็นที่ยอมรับนับถือพวกเราเป็นผู้มีศีลธรรมจริยธรรมที่ดีพวกเราก็เคารพนับถือท่าน ด้วยความรักเคารพอย่างสูงยิ่งและก็บูชาบุคคลที่เป็นคนดีเแต่เราจะไม่บูชาคนเด็วๆชั่วๆเสียหายทำให้บ้านเมืองหรือ ว, ว่าใครต่อใครเดือดร้อนวุ่นวายอันนั้นเราจะไม่บูชาเราบูชาบุคคลที่ควรบูชาบุคคลที่มีคุณธรรมใน จ, ใจิตใจเพราะนั้นคุณแม่ชีแก้วหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างที่หลวงพ่อได้พูด กล่าวถึงครูบาอาจารย์หลายองค์การล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่ควรบูชาอย่างยิ่งตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็น่สมควรที่จะบูชาด้วยปฏิบัติ บ, บูชาอามิชฌบูชาตลอด ถ, ถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เป็นบุคคลที่ควรบูชาตลอด ถ, ถึงพ่อของเราคุณแม่ของเราพ่อแม่ของเราถึงจะยางไงก็ท่านเป็นผู้เลี้ยงดูเรามา อันนี้ก็เป็นบุคคลที่ควรบูชาสำหรับบุตรธิดาของทุกๆทุกๆท่านอย่างน้อยถึงจะเป็นยังไงกับพ่อแม่แต่เลี้ยงดูเรามาให้รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักสิ่งควรไม่ควรแต่บัดนี้พวกเราได้เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วบุญคุณของพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามาอันนั้นก็เป็นพระคุณอย่างยิ่ยงอีกเหมือนกันบุตรธิดาทุกคนควรจะบูชาบิดามารดาของพวกเราท่านทั้งหลายการพูดเลวกว่าการ กล่าวสมโภนิยกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจขุนภาษีรัตนไตรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลโลกและก็พร้อมบา ร, รมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์บารมีของคุณแม่ชีแก้วเสียงลำบุญบา ร, รมีขององคหลวงตามหาบัวบา ร, รมีของหลวงปู่จามบา ร, รมีของหลวงปู่ล่าและก็บา ร, รมี ในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ไม่ได้กล่าวมีมากขอให้คุ้มครองพวกเราท่านทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปราถนาทุกประการเทินสาธุ